เชิญทุกคนนั่งลงได้ครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญ น, นัดอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่20ครับ 2,567 เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งของให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักเก้าไปเจ้าหน้าที่วันนี้มีใครม า, มาสารบ้างครับ กับเรียนท่านประธานศารรัฐธรรมนูญและตุลาการสารรัฐธรรมนูญกระผมนายสอ ร, รัฐเลี่ยมตวนนักคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการพิเศษขอรายงานการมาสาลของคู่กรณีนี่ฝ่ายผู้ร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้คันจมบทีนัทวัฒน์สเงี่ยมศักดิ์ผู้แทนผู้ร้องมาสาลฝ่ายผู้ถูกร้อง พักเก้าไกลมอบหมายให้ในายพิธาลิ้มเจริญรัตผู้แทนผู้ถูกร้องมาศาลปัดนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับฟังการอ่านคำพิจัยแล้วครับศาลมอบหมายให้ท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมท่านจิริศหาวานนท่านวิรุณแสงเทียนท่านนพดลเทพพิทักษ์ ท่านปัญญาอุชาชนอ่านคำวินิจฉัยเชิญท่านนั่งฟังคำวินิจฉัยได้ครับทั้งสองครับับเชิญท่านอุดมครับเชิญครับรานชาญดยเฉพาะส่วนนะพิจานบพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตราสี่สิ้าวรกหนึ่งบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิธีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพมหาราษฎร์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ ทีความมุ่งหมายเพื่อรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองให้กับประชาชนเนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มุ่งส่งในการหล่อหลอมความคิดอรูปการเจริญจมงศ์และความต้องการของประชาชนทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเข้าไว้ด้วยกันกําหนดเป็นนโยบายของพรรคเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนผ่านผู้แทนพรรคการเมืองจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลจะมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่รัฐมนาตรีาสีภาพปล่องไว้แต่เสรีภาพดังกล่าวไม่ใช่เสรีภาพอันไรย์ขอบเขตหรือไม่มีเขตแดนจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองจะถูกกากับกับไว้โดยรัฐธรรมนูญและวิธีทางทางการปกครองระบอบชาติไทยอันมีพระมาสั์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติเสมอรัฐมนตรีาตาสีก้าววักหนึ่งบัญญัติว่า ควรจะใช้สิทธิเรลือศีลภาพเพื่อร้มล้างการปกครองระบอบชาติไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แต่พระดญษติประกอบรัฐมนตรว่าด้วยพรรคการเมืองฝ่ายสองมา160มาตราการสองวรรคหนึ่งมีอย่าว่าเมื่อข้ารามการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นสารนูลเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นอนุมาตราหนึ่งกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบชาติไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครอง ประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญอนุมาตราสองกระทําการนั้นอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบชาร์ไตอันวิมารศาสตร์ทรงเป็นประมุขและวรสองบัญญัติว่าเมื่อสารน้ำนูนดำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันคนเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการตามวรหนึ่งให้สารน้ำนูนสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นขัรมนูญมาตราสี่ก้าดรอง์สิทธิให้แก่บุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใดๆที่บุคคลหรือพรรคการเมือง อ้างการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อรมนล้างการปกครองแบไใดอันมีภาษาสูงเป็นโุกเพื่อให้มีการตรวจสอบและวิจัยสั่งการให้เลิกทํำที่จะเป็นอันตรายต่อระบบการปกครองโดยเป็นมาตรการในการป้องกันล่วงหน้าส่วนพระราชาประกอบรั้นวนว่าด้วยพระกันเมืองประสมมาแล้วหกมาตราเก้าสองวรรหนุมาตราหนึ่งแล้วหนุมาตราสองเป็นกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับรั้นนมาตราสีเกและมีความสัมพันธ์กับหลักจากใดที่ปกป้องตนเองได้ โดยการไมอยากให้มีการยุบพักการเมืองอันถือเป็นหนึ่งกลใจของการปกป้องตนเองเพื่อป้องกันภัยคุามต่อการปกครองหรือจากพักการเมืองที่มีเลือกษรรเป็นปฏิบัติต่อรัฐมนูญหรือการปกครองในระบบชาติไทยการยุบพักการเมืองจึงเป็นมาตรการตอบโต้เพื่อหยุดจังไม่ให้มีความพยายามทําลายหลักการพื้นฐานของระบบชาติไทยอีกต่อไปในภายภาคหน้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสารมูลนิธิข่าวิสัยตราอธิบดีที่3ทัพ267 วันที่31มกราค 2, 3, 7, ม2567พิชัยว่าการที่สมาชิกสภาพิจารณาสักกัดพักผู้ถูกร้องแต่เพียงพักเดียวรวมจำนวน44คนเสนอร่างเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในจฎหายาหวงเล็บฉบับที่จุดๆปสจุดๆห่วงเล็บแก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานมินประมาพยื่นต่อประธานสภา พ, พาิจารณาฎรโดยมีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112จากเดิมที่เป็นหมวดหนึ่งลักษณะหนึ่งความผิดเกี่ยวความมั่นคงแห่งราณาจักร ให้เป็นลักษณะหนึ่งทับสองความผิดเกี่ยวกับปัญหาสัตว์ของมัญหาสัตว์พระราชินีพรัศยาติและเกียรติยศของผู้สืบรายการแทนพระองค์และเสนอให้เพิ่มบทรมกกาตรให้ผู้กระทําความผิดสามารถที่สูตรมีเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษอีกทั้งให้ความผิดตามมาตราหนึ่งรเป็นความผิดอันยอมความได้โดยให้สํานักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกขและให้ถือว่าเป็นผู้ชายเพียงหน่วยงานเดียวผู้ถูกร้องใช้ในบายพักที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกับร่างรเรียบดังกล่าว ระว่างการหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาประธานรัฐจอด็นการทั่วไปปศ .2566 และยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีพิการรณรงค์ทางการเมืองโดยการร่วมชุมนุมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอให้ยกเลิกหรือแก้ไขบ่งมือกฎหมายยามาตา112และมีกรรมการริหารสมาชิกสภาประธานรัฐจอและสมาชิกพรรคผู้ค้องเป็นนายประกันผู้ตังหาหรือจําเลยในความผิดตามบ่งมือกฎหมายยามาตานุ112หรือตกเป็นผู้หาหรือจำเลยในการความผิดดังกล่าวเสียเอง และแสดงความคิดเห็นให้แก้ไขและยกเลิกเปิดมูลกฎหมายยา마ตานึ่งร้อยสองผ่านการจัดกจิจกรรมทางการเมื pesos, อง แ, และสื่อสังคมออนไลหลายครั้งอันเป็นความมุ่งหมายเพื่อใช้สิทธิเหลือสีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบทรัไตอันพิมพ์มาสารส่งเป็นประมุขตามรัฐมนตรีมาตรา49วักหนึ่งแต่สานรัฐมนุนสั่งการให้ผู้ปกครองเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยที่อื่นเพื่อให้มีการยกเลิกเปิดมูลกฎหมายยา마ตานึ่ร้อ1สิ อีกครั้งไม่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมของบทส่วนาหนยามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางที่จะมีหยัดโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในคตด้วยตามรัฐมนตรีมาตรา49พศ2 5 6ผู้ร้องได้มีนาคำวิจัยสารนูลที่สารับสองร้อหกเจ็ดแล้วจึงมีมติในการประชุมครั้งที่สิบทับสองร้อหกสเจ็ดเมื่อวันที่2มีนาคมสองรยหกิบเจ็ดยื่นคำร้องต่อสารนูลกรณีมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องทำการตามเบียบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมืองผสมรัฐ60มาตราทั้ง2วัดหนึอนุมาตราหนึ่งและมาตราสองเพื่อให้สารรัฐนูญได้พิจารณาพิจารณาผู้ พ, พักผู้ถูกร้องมีประเด็นต้องพิจาริก่อนว่าสารรัฐนูญมีอำนาจรับฟ้ร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาพิจารณาหรือไม่ในประเด็นนี้ผู้ถูกร้องยื่นคำโต้แย้งว่าสารรัฐนูญมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิจารคดีเพราะตามที่รัฐมนอนบริจากไว้การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องของให้สารรัฐนูญยุบ พ, พ, พักผู้ถูกร้อง เนื่องจากมีหลักฐานอันควเชื่อได้ว่ามีการกระทําของผู้ร้องตามคาวิจัยสารรัฐนูลที่3ารทยหกซึ่งสารรัฐนูลวิจัยว่าเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภา พ, าพเพื่อรลมร้อนการปกรครองระบบชาร์ตไตยอันยิ่งศาสนาทรงเป็นประมุขตามรัฐนูลมาตรา49ผลประหยัดดังกล่าวให้อำนาจสารรัฐนูลสั่งการให้เร่งการทำ น, นั้นเรานั้นีได้ให้อำนาจสารรัฐนูลสั่งยุบพรรคการเมืองการที่ประดัดกอบรัฐนูลว่าด้วยพรรคการเมืองผส60มาตราที่สองหนึ่งอนุมาตราหนึ่งและวมันจมาตราสอง ให้อำนาจสารมูลยุบพกรคการเมืองขัดหรือแย้งต่อรัฐมนตรีมาตรา109อันมิใช่บังคับไปได้สารรัฐมนุนไม่มีอำนาจวิจัยคดีนี้เห็นว่ารัฐมนูนเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นการจัดระเบียบอำนาจสูงสุดของรัฐโดยวางกรอบการใช้อำนาจที่อยูนอำนาจบทบายของอ ง, องค์กรต่างๆและกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของกฎหมายราฐัฐละกศหรือกฎหมายที่ไม่เป็นรฐัฐละกศ ส่วนคนรายประกอบรับมูลเป็นกฎหมายที่บีบจัติขึ้นมาเพื่อกำหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติต่างๆเฉพาะแต่เรื่องภายในขอบเขตที่รัฐมูลบีญจัิให้หนาาไว้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาสาระที่บีบจัติในรัฐธนูนทําหน้าที่อธิบายขยายเนื้อความในรัฐธนูนให้บทบีญจัดในรัฐธนูนมีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้เพื่อให้การบังคับใช้รัฐธนูนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกคั้งยังทาให้รัฐธนูนซึ่งเป็นบทกฎหมายสสุดบัญญัติเพียงหลักการและผลที่กระชับได้แก่ความ กฎหมายประกอบรัมนูลจึงเป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐมนูลเป็นอย่างยิง่งรัฐมนูลมา ต, าตรา40เป็นบทหยติที่มีความผูห้หมายเพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองระบอบ ก, การปกครองของประเทศโดยการรับรองสิทธิพิทัรกษ์รัฐมนูลให้ประชาชนปกป้องการปกครองบองประเทศไทยมีภาษาจงเป็นควมุกบทบัญญหยาดรัศนัยนี้โปรดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐมนูลแห่งรัฐาจักรไทยผู้สกัดรมร้มมอย40มาตรา3ข้อหนึ่งซึ่งมาจากว่า บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภายพต า, ามรูปเพื่อร้อําลังล่มรั้งการปกครองระบรบสาธารณไทยอันมีพระสัตรงเป็นมุกฐานดังนี้มีได้วรรสองมายัดว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทาตามวรรคหนึ่งผู้เรื่องเหตุการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้าการสูงสุดตรวจสอบข้อจริงและยื่นคำร้องของใหสารรัฐมนูลวิจัยสั่งการให้เรื่องการกระทำดังกล่าแวและวรรษามายัดว่าในกรณีที่สารรัฐมนูลวิจัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเรื่องกระทำการตามวรรสองสารรัฐมนูลอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ รัฐมนุแห่งรัฐน่าจากไทยพุทธศัสตร์สมั1 5มาตรา68รัฐมนลฉบับดั้งยังคงเป็นบทประหยัดหลักการเดิมไว้โดยมาตรา19วรรคหนึ่งบัญญัติว่าผู้คนจะใช้สิทธิราชพากเพื่อล้อมร้องการปกครองระบบชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้และวรรคสองบัญญัติว่าผู้ใดทราบว่ามีการกระทาตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อร้องขอให้สารรัฐมนูนวิจัยสังการห้เนการทำดังกล่าวได้ฉบับพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนว่า้วยพระการเมืองพศ มีเหตุผลในการประกาศใช้เนื่องจากรัมนูลมีจัดให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิธีทางทางการปกครองระบบเสถียรอันมีพระมมั่นศาลทรงเป็นมุกตามที่กฎหมายบัญญัติรวมทั้งจะต้องมีมาตรการกำกับดูแลสมาชิกของพรรคการเมืองกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งชิ่นสมควรของวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและหน่วกิจการของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัมูลโดยมาตราเก้าสองประหยัดหน้าที่และอำนาจของน้ําการ การรื้อตั้งในการควบคุมและตรวจสอบพรรคการเมืองที่มีการทําอันเป็นเหตุใ้สารบุนยุคพรรคการเมืองนั้นได้แค่แก่อนุมาติตราหนึ่งกระทาการร่ร้านการปกครองระบบชาร์ไตอันมีความศักตร์สงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมิได้เป็นไปตามวิธีการที่บัญญยัดไปนับดูนแหลมั้นอนุมาติตราสองกระทําการนั้นอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบบชาร์ไตอันมีความศักดิ์สงเป็นประมุขดังนั้น แม่รัฐธรรมนูญมาตราสองร้ยสิบบัญญัติให้การัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและร่างกฎหมายพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน้าที่และอำนาจอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยมาตราสองร้อยสิบวัท้ายให้นําความตามมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบปดวักหนึ่งที่บัญญัติว่า ให้การพิจารณ า, าพิพากษาอ ธ, ธ, ธ, ธิษฐานเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและในพระประมาพิไทยมหัพระมาัตริย์มาใช้บังคับแก่สารรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลมและมาตรา49มันจะให้สารรัฐธรรมนูนมีอำนาจวินิจัยสั่งการให้บุคคลที่ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลิกกระทําการดังกล่าว โดยไม่ได้บัญญัติให้อันหนสาสานูสั่งยุบพักการเมืองที่มีการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระภหากษัต ร, ริย์ทรงเป็นประมุกไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา63วรรค3หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา68วรรค3ก็ตาม แต่เจตนาลมในการคุ้นครองและปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดย่อมแสดงออกโดยการรับรองสิทธิพิทักรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนและให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองได้หากมีข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลหรือพรรคการเมืองจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แม่รัฐมนูญมาตรา49จะไม่มีข้อความว่าหากมีกรณีที่สารรัฐมนูญวิธิชัยสั่งการให้พักการเมืองใดเลิกกระทําการให้สารรัฐมนูลสั่งยุบพักการเมืองดังกล่าวได้จากบทบัญญัติแห่งรัฐมนูญมาตราดั ง, ดงกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารรัฐมนูญมีหน้าที่และอํานาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐรมนูญและตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของสารมนูนพศ .2561 มาตรา7มันอัากให้สารมนูญมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีดังต่อไปนี้อนุ ม, มาตรา13คดีอื่นๆที่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนและกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจาศาลและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ .2560 มาตรา92 ให้สารรัฐมนูญมีอำนาจรับคำร้องไว้พิจฉัยไว้พิจารณาวินิจฉัยคดีและสั่งยุบพรรคการเมืองได้ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องฟังไม่ขึ้นประเด็นพิจารณาวินิจฉัยต่อไปมีว่าผู้ร้องได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานยืนยันหกักล้างหรือไม่ในประเด็นนี้ ผู้ถูกร้องได้ยื่นคำโต้แย้งว่าผู้ร้องยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพอศ2560มาตรา93ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมือง2566ข้อ7ทําให้ผู้ถูกร้องไม่มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง 2,560 มาตรา92วรรคหนึ่งบัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอั น, อนควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังตอปนี้ให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพการเมืองนั้นและ มาตรา93วรรคหนึ่งบัญญัติว่าเมื่อปรากฏ ต, ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองดใดพักนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา92ให้ในายทะเบียน ร, ร, ร, ร, ร, รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทั้นี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด จะเห็นได้ว่าการยื่นคำร้องต่อสารธนูญเพื่อยุคพักการเมืองเกิดขึ้นได้สองกรณีได้แก่กรณีที่หนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดได้กระทําการที่เข้าลักษณะตามมาตราเก้าสิบสองวรรคหนึ่งอนุมาตราหนึ่งถึงอนุมาตราสี่และกรณีที่สองเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพักการเมืองว่าพักการเมืองใด กระทำการตามมาตราเก้าสิบสองนายทะเบียนพักการเมืองต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพศสองพันห้า้อยหกสิหจึงเป็นกรณีที่กฎหมายวางกฎเกณฑ์ของผู้เริ่มกระบวนการและลักษณะของข้อเท็จจริงไว้แตกต่างกันดังนั้น หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองมีการกระทําที่เข้าลักษณะที่กฎหมายบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมมีอํานาจยื่นคํำร้องต่อสารรัฐมนูญได้ในทางตรงข้ามหากเพียงความปรากฏต่อในทะเบียนพักการเมืองในทะเบียนพักการเมืองจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก่อนการยื่นต่อสารรัฐมนูลกดีนี้ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาอันเป็นเหตุยุบพักการเมืองผู้ถูกร้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงตามคำวินิจัยสารรัฐมนูลที่สามพับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ ที่ไม่อาจรับฟังเป็นอย่างอื่นได้ผู้ร้องในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องต่อารัฐธรรมนูนได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองพ2 2561มาตรา92วรรคหนึ่งประกอบกับผู้ร้องชี้แจงตามบันทึกให้คํายืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นในหนังสือว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566 นายพัชรนนท์คณโชตโภคินผู้ร้องเรียนร้องเรียนต่อผู้ร้องว่าผู้ถูกร้องใช้นโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งที่สวนสาธารณะเทศบาลแหลมชบงังอำเภอขีระช า, าจังหวัดชนบุรีผู้ร้องรับคำร้องไว้และส่งเรื่องให้คณะ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่2ตามคําสั่งในสะเบียองพักการเมืองที่1 2566เพื่อตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่2ตรวจคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องแล้วมีความเห็นไม่รับคําร้องไว้ดําเนินการเนื่องจากคําร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอ ว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันอาจเป็นปฏิบักิต่อาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเล่าด้วยพักการเมือง2560มาตรา92วรรคหนึ่งอนุมาตราสองวันที่26กันยายน2566สำนักกิจการพักการเมืองรายงานต่อนายประเบียนพักการเมืองว่าสารัธรรมนูญมีคาสั่งรับคาร้อง กรณีนายธนยุทธ์ส่วรรณเกศรขอให้สารรัฐมนูลวินิจัยตามรัฐมนูญมาตรา49ในประเด็นเดียวกับคำร้องของนายพระพัชรนนทนาชโชติโกกินจึงให้รอการดําเนินการเกี่ยวกับร้องนี้เพื่อให้สารรัฐมนูลมีคำวินิจัยก่อนหลังจากมีคำมินิจัยสารรัฐมูลที่สามพับ2561วันที่30 มกราคม2567นายเรืองไกลรีจิตพัฒนาและนายธีรยุทธ์สวนนค์เกศรยื่นคำร้องก่อผู้ร้องขอให้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญในมูลกรณีเดียวกันคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทืบเรียนพักการเมืองคณะที่หกมีการประชุมครั้งที่สองพัก2567เมื่อวันที่12มีนาคม2567พิจารณาคำร้องทั้งสามฉ บ, บับแลวเห็นว่า ผู้ร้องมีมติในการประชุมทั้งที่10พบ2567วันที่12มีนาคมคับ2567ให้ยื่นคำร้องต่อรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรค1อนุมาตรา1และอนุมาตรา2กรณีไม่มีเหตุต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อนายทะเบียนพักการเมือง และไม่มีเหตุที่นายทะเบียนพักการเมืองต้องเสนอให้ผู้ร้องพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลรือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพรศ2566ข้อ7และข้อ9แม้การดาเนินการของผู้ร้องในคดีนี้แรกเริ่มเป็นกรณีที่มีความปรากฏต่อนายทะเบียนพักการเมืองซึ่ง ต้องดําเนินการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา93และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพศ2560ข้อ5ซึ่งนายทะเบียนพักการเมืองดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่2แล้วก็ตามแต่เมื่อคำวิิจัยสารรัฐธรรมนูญที่3พศ25 67มีข้อเท็จจริงเป็นมูลกรณีเดียวกันและเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่ผู้ร้องเห็นว่าไม่อาจโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้เป็นกรณีมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทําการอันเป็นเหตุยื่นต่อสารมนูญเพื่อสั่งยุบพักกันพักผู้ถูกร้องผู้ร้องจึงยื่นคําร้องต่อสารมนูญอันเป็นการดําเนินการตามมาตรา92เหตุ ดังกล่าวทําให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายทะเบียนพักการเมืองยุติการรวบรวมพยานหลักฐานการดาเนินการของนายทะเบียนพักการเมืองตามมาตราเกจึงยุติลงผู้ร้องไม่จําเป็นต้องย้อนกระบวนการเพื่อให้ในายทะเบียนพักการเมืองรวบรวมพยานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนขั้นตอนดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการยื่นคําร้องของผู้ร้องตามมาตราเกและมาตราเก เป็นคนละส่วนกันอย่างไรก็ตามในคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อสาะระนูลโดยไม่ได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานและให้โอกาสผู้ถูกร้องรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอหรือโต้แย้งแสดงหลักฐานของตนก็ตามแต่เมื่อคดีนี้กับคดีตามคำวินิจฉัยสารมนูลที่สามครับ 2,567 เป็นคดีที่มีมูลประ ด, ดิและผู้ถูกร้องเป็นบุคคลเดียวกัน การที่ศาลรัฐมนูนได้พิจารณาคดีตามคำมินิฉัยที่3พศ2567โดยการไต่สวนพยานหลักฐานต่อหน้าผู้ถูกร้องและผู้ถูกร้องทราบข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงและมีโอกาสตรวจคัดค้านพยานหลักฐานในจำนวนทั้งหมดรวมทั้งได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่ต่อหน้าศาลแล้วจึงถือว่า เป็นกระบวนการไต่สวนคดีรัฐธรรมนูญที่ให้ความจริทงทรรยิ่งเจรกว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยคณะสมัชชารการเลือกตั้งข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องจึงไม่อาจรับฟังได้ส่วนข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องที่ว่าผู้ร้องยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยอาศัยข้อเท็จจริงตามคมิสไช ข, ของสารรัฐธรรมนูญที่สามทับของบรรลสิบเจ็ดสรสารัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า หากปล่อยให้ผู้ถูกร้องกระทําการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินกว่าเหตุที่จะนําไปสู่การรื้อล้างการปกครองการกระทําของผู้ถูกร้องจึงยังไม่มีผลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อรื้อล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแท้าภายหลังที่สารมรนุษสั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทําผู้ถูกร้องได้ น, นํานโยบายเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมประ ม, มระวลกฎหมายยามาตรา112ออกจากเพจไซ์ของพรรคผู้ถูกร้อง อีกทั้งมาตรฐานการพิสูจน์คดีตามคำนิยิ้มใชของสารรัฐมนูญที่3ามั2567ให้มาตรฐานชัดเจนและน่าเชื่อถือคดีนี้ย่อมต้องใช้มาตรฐานที่ระดับเดียวกับพเดียยาที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจึงไม่อาจนำข้อเท็จจริงหรือผลขอ ง, ของการนิยิ้มสารรัฐมนูญที่3ามค2567มาผูกพันการพิจารณาวินิยิ้มคดีนี้สารรัฐมนูลต้องไต่สวนขยานหลักฐานใหม่ทั้งหมดนั้น เห็นว่ารัฐมนูลมาตราสี่สิบเก้าบัญญัติขึ้นในลักษณะาการป้องกันมิให้บุคคลใดอ้างสิทธิหรือเสรีภาพของตนเพื่อใช้รุมล้างการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นผลเสียหายอย่างร้ายแรงที่คาดการได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหากการกระทํานั้นยังคงดําเนินการอยู่และให้อำ น, นาจสานรันูลสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุก จะยังไม่ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นไปก็ตามแต่หากมีข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทําแหลมเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อรบล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกตามรัฐธรรมนูญมาตราสี่สิบเก้าเกิดขึ้นแล้วการกระทํานั้นจะเป็นความผิดสําเร็จในทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีผลจากการกระทําปรากฏขึ้นก่อนเมื่อสารมูลนิยข้อเท็จจริงตามคำนิจฉัยที่สามพักทรหกเจ็ดว่าผู้ถูกร้องมีส่วนร่วมในการกระทําหลายพฤติการ ประกอบกันในลักษณะต่อเนื่องเป็นกระบวนการตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยามาซาเนะว่า12ที่เมือนเนื้อหารถถอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้เป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั่งการชุมนุมเรียกร้องการจัดกิจกรรมทางการเมืองการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้องกระทําการต่อไประย่ไม่ไกลเกินเหตุที่จะนําไปสู่การรมน้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา ส, สัตว์ทรงเป็นประมุกการกระทำของผู้ถูกร้องจึงเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อร้องร้องการปกคอรองระบอบเศรษฐกิจไทยอันมีพระมหา ส, สัตว์ทรงเป็นปมุกโดยเป็นความผิดสำเร็จตามรัฐนูลมาตราสีสิบเ้าแล้วแม้ภายหลังสารรัฐนูลสั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทำและผู้ถูกร้องได้นำนโยบายเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมตัวงุวยาอคประมวลกฎหมายยามมาตราร้อยสิบสองออกแก้ไปเย็บสายของพรรคผู้ถูกร้องก็ตามเมื่อพินามาตรฐานการพิสูจน์ที่ใช้ในแต่ละคดี ย่อมหมายถึงมาตรฐานหรือระดับความน่าจะเป็นไปได้ที่ต้องใช้พิสูจน์ทอดใช้จริงอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานที่นําสืบเพื่อให้ศาลชั่งน้าหนักพยานหลักฐานนั้นในการวินิจฉัยที้ข่าคดีมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแต่ละประเภทอมแตกสามคันแต่สัมพันธ์กับความหุ่งหมายของคดีและวัตถุประสงค์การดำเนินคดีหากเป็นคดีประเภทเดียวกันย่อมมีมาตรฐานการพิสูจน์อย่างเดียวกันเมื่อคดีนี้ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้สำนูนสั่งยุคคบพัก ผู้ถูกล้องจะแตกต่างกับคดีตามคำวินิจัยของสามมูลที่สามทรัพยธงบานห้าร้อยหบเจ็ดเป็นการพิจารณาวิจัยเพื่อให้สามนูลสั่งให้เลิกการกระทำสามด้านมูลมาตราสี้าวรกสองเป็นคดีรัฐมนูลที่มีมูลกรณีเดียวกันแตกสางสันเทียงมาตรการที่สามนูลใช้บังคับคดีนี้กับคดีตามคำวิจัยสามมูลที่สามทรัพยธงรานห้าร้อยหบเจ็ดจึงเป็นคดีรัฐมนูญเช่นเดียวกันสามนูลย่อมต้องใช้มาตรการที่สูตรพยานหลักฐานในคดีรัฐมนูญเช่นเดียวกันด้วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูลพศ2561มาตรา27มันจดให้การพิจารณาคดีของสารรัฐมนูลใช้ระบบไต่สวนสารรัฐมนูลมีอำนาจค้นหาความจริงโดยการพิจารณายิดฉัยคดีตามควานิึดใสารัฐมนูลที่3พ2561สารรัฐมนูลได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นสามารถฐานการพิสูจน์ขั้นสูงสุดแล้วข้อเท็จจริงที่ได้จากการพริจารณาและผลของคำยึดฉัยในคดีตามความยึฉัยสารัฐมนูญ ที่สมพักของปี2567จึงรับฟังในคดีนี้ได้ไม่จําต้องไต่สวนพยานหลักฐานใหม่เพื่อมาตราฐานในการพิสูจน์ที่แต่ต่างไปดังอ้างสําหรับข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องที่ว่าพรรคผู้ถูกร้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามให้อำมจัดประกอบพระธรรมนูญว่า้วยพรักการเมืองปี2560มาตรา20วรรคหนึ่งการกระทําใดๆต้องดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารพรรคจึงจะผูกพันหรือถือเป็นการกระทำของพรรค การกระทำตามคำนิยิ้งไฉสารนับนูลที่สทัพม่าร้อยเป็นการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสั้งกัดพักผู้ถูกร้องซึ่งเป็นการสบบัตยาที่โดยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อานัตของพักสามรัฐนูญมาตรา114อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นการเป็นนายประกรันหรือการเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึของสมาชิกของพักผู้ถูกร้องเป็นการทำในนณส่วนตัวการกระทำตามคำนิยิ้ไฉสานับนูลที่สทับพม่าร้อยหกสิบเจ็ด จึงไม่ใช่การกระทําของพรรคผู้ถูกร้องนั้นเห็นว่าผู้ถูกร้องเป็นพรรคการเมืองตามเรื่องแบบกรอรัฐธรรมนูนว่าโดยพรรคการเมืองผพศ2560มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อดำเนินกิจการทางการเมืองตามหลักการปกคปรองรละปกครองไทยไทยอันมีว่าสอดคล้องเป็นประมุขเมื่อข้อเท็จจริงตา ม, า ม, มความชี้สารรัฐธนูญที่สามพศ2567ฟังเฟชชิตีแล้วว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมขอกฎหมายยาฉบับที่พศ โดยมุ่งเล บ, บแค่ขเกี่ยวกับความผิดฐานมิะมาศเมื่อวันที่25มีนาคม2564มีเนื้อหารถตอนคุณค่าสถา บ, บันพมหาศัตว์เป็นการดําเนินการโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้กัดพักผู้ถูกร้องทั้งส้นเพียงพักเดียวแค่ผู้ถูกร้องเบิกความต่อสารยอมรับว่าผู้ถูกร้องนําเสนอนโยบายทํานวนเดียวกับร่างผิดรัฐดังกล่าวต่อผู้ร้องเพื่อใช้เป็นนโยบายรณยนรงหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพศ2566 และนโยบายนี้ยังคงปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ถูกร้องถือได้ว่าผู้ถูกร้องร่วมกับสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถูกร้องเสนอนโยบายแก้ไขเพิเ่มเติมต า, ามมาตรา112ยื่ผู้ร้องได้ใช้เป็นนโยบายของพรรคผู้ถูกร้องในการหาเสียงเลือกตั้งการลงนรง์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเวธีปราศัยเพื่อใช้หาเสียงดักตั้งหรือทางสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้ง หรือเป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีตามกฎหมายยามาซาโนะสองหรือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดทังกล่าวเสียเองแม้การกระทําต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้กระทําโดยกรรมการบริหารพักหรือกระทําผ่านมติพักก็ตามแต่คณะกรรมการบริหารพักต้องมีหน้าที่ควบคุมกับดูแลไม่ให้สมาชิกพักกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเช่นนี้จึงเป็นการกระทําเพื่อมุ่งหวังผลักดันให้นโยบายของพักของผู้ถูกร้องสาเร็จลงตามความมุ่งหมายหรือเป็นการกระทําความผิดโดยอ้อมของพักผู้ถูกร้อง โดยใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกพรรคผู้ถูกร้องเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือในการกระทําผิดอีกทั้งผู้ถูกร้องลงนามเข้าตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับนโยบายพรรคในการแก้ไขเพิ่มเติมปสมมติกฎหมายยามาตา112และแสดงบทบาทเครื่องไหวทางการเมืองสอดรับกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆโดยการลงนรง์ปลุกเร้าและยุยงปลุกปั่นเพื่อสร้างกระแสสังคมให้ร่วมสนับสนุนการยกเลิกหรือแก้ไขสมมติกฎหมายยามาตา112 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขุ่นเคืองขึ้นในหมู่ประชาชนและนำมาซึ่งความแตกแยกระหว่างชนในชาติอามีลักษณะยุยงให้เกิดการเฉียดชันย่อมสง่งผลทำให้หลักการและคุณค่าของทางรัฐธรรมนูญที่รองรับการดำรงอยู่ของการปกคออกรองของชาติทิพยไตยอันมีพรม่าศาสตร์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของรัฐต้องถูกพ้มเลิกและสูญเสียไปผู้ถูกร้องไม่อาจตีดเลี่ยงความรับผิดได้ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องจึงไม่อาจรับฟังได้ ประเด็นพิจารณาวินิจฉัยมีว่าการกระทําของผู้ถูกครองตามข้อเท็จจริงในคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่สามทับสองพันเอ็้อยหสเจ็ดไม่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เป็นการกระทําอันเป็นอาจเป็นโปรดิบักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรคหนึ่งอนุมมาตราหนึ่งและอนุมัติาตราสองและข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักการเมืองไม่ได้สัดส่วนและมและจําเป็นถึงขนาดต้องยุบพักผู้ถูกร้องสารรัฐธรรมนูญไม่ควรยุบพักผู้ถูกร้องตามข้อข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องหรือไม่เห็นว่า ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตัวแยงคำวินิจฉัยสารรลฐธรรมนูนที่สามพ2567โดยอ้างข้อเท็จจริงว่าการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องมีเนื้อหาให้เปลี่ยนฐานความผิดออกจากลักษณะหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ การเสนอให้มีบทยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษและการเสนอให้ความผิดตามมาตรา112เป็นความผิดอันยอมความได้นี้ได้เป็นการลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระหมหากษัตริย์ผู้ถูกร้องไม่มีเจตนามุ่งหมายจะแยกสถาบันพระหมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้อง กับปลักกฎหมายทั่วไปและหลักสากลเท่านั้นหรือผู้ร้องไม่เคยสั่งห้ามไม่ให้ผู้ถูกร้องใช้นโยบายการเสนอแก้ไขเพิ่มเติ ม, ตมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเป็นนโยบายการหาเสียงของพรรคผู้ถูกร้องและผู้ร้องเคยมีความเห็นไม่รับคำร้องกรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนโยบายดังกล่าวหรือการที่สมาชิกสังกัดพรรคผู้ถูกร้อง เข้าร่วมรณรงค์ทางการเมืองหรือแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระทําเฉพาะตัวและเข้าไปเพื่อสังเกตการเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องจากประชาชนเป็นนายประกันหรือการเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องด้วยหลักการที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด หรือการติดสติกเกอร์ในช่องยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบสองของนายพิธาลิมเจริญรัตน์บนเวทีปราศัยหาเสียงที่จังหวัดชนบุรีเป็นการบริหารสถานการณ์ในการปราศัยเท่านั้นอีกทั้งการที่ผู้ถูกร้องคัดค้านพยานหลักฐานหมายเลขสอสลาหนึ่งวงเล็บสอสลายี่สิบเอ็ดถึงสอสลาสามสิบเจ็ดซึ่งพยานหลักฐานที่ใช้พิจารณาวินิจฉัยคดี ตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่สามทั 2,567 ข้อเท็จจริงต่างๆที่ผู้ถูกร้องยกขึ้นกล่าวอ้างหรือคัดค้านล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่เดิมหรือเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกร้องเคยยกุกยกขึ้นต่อสู้ในชั้นพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในคดีตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่สามทับ 2,567 มาแล้วทั้งสิ้น เสารรัฐธรรมนูนฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่สามทับสองพันห้อยหกสิบเจ็ดว่าพฤติการดังกล่าวของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตราสี่สิบเก้าซึ่งรัฐธรรมนูญมาตราสอง้อยสิบเอดวรกสี่บัญญัติว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีสาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมต้องผูกพันสารรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ด้วยส่วนการกระทําของผู้ถูกร้องเป็นการกระทําอันอาจเป็นปฏิบักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้นเห็นว่า การกระทําอ <rude S 2> ันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกย่อมร้ายแรงกว่าการกระทําอันอาจเป็นปฏิบักษต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากการกระทําอันอาจเป็นปฏิบักษต่อการปกครองหมายถึงกระทําตนต่อต้านเป็นฝ่ายตรงข้ามฉะนั้น เมื่อคอสได้จริงตามคำวินิจัยที <t ix> heaven, ่สามทับ 2,567 รับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย่อมเป็นการกระทําอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกด้วยเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนที่สามทับ 2,562 ว่า คำว่าปฏิบัติไม่จําเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาที่จะร่มร้างทําลายให้สิ้นไปทั้งยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเพียงแค่เป็นการกระทําที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือสกัดกั้นมิให้เจริญก้าวหน้าหรือเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดผลเป็นการเาสก่อนบนทําลายหรือทําให้อ่อนแอลงก็เข้าลักษณะ ของการกระทําที่เป็นปฏิบัติแล้วการนําสถาบันพระมหากษัตริย์ไปใช้เพื่อความได้เปรียบและมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองจึงเป็นการกระทําที่อาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ 2,167 กับพฤติการของผู้ถูกร้อง ที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพักในการหาเสียงเลือกตั้งโดยการใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งเป็นการมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนผู้ถูกร้องมีเจตนาเพาะครั่นบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือทาให้อ่อนแอลงอันนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดการกระทําของผู้ถูกลองจึงเข้าลักษณะการกระทําอันอาจเป็นปฏิบัติต่อาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกด้วยนับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475เป็นต้นมา การปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาตลอดอันแสดงให้เห็นถึงการประนักและยอมรับในค่านิยมนานาชาติว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยหังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา2ที่บัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยทันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งการยึดหลักนิติธรรมทันเป็นสากลด้วยดังปรากฏในมาตราสามวักสองตลอดจนปกป้องสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญมาตราสี่และหลักการว่าด้วยความเป็นอิสระของศาลตามมาตราหนึ่งร้อยแดสิบแปดวักสองในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาตราสอง้ยห้าสิบห้าบัญญัติว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปล ร, รูปแบบรัฐจะกระทำไม่ได้ดังนั้นเมืออ่อคเทมจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องร่วมกันเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ที่มีเนื้อหาลดทรนคุณค่าสถาบันพระม ห, หากษัตริย์และใช้เป็นนโยบายพรรคผู้ถูกร้องยังมีพฤติการเข้าร่วมรณรงค์ทางการเมืองให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรและสมาชิกสมาชิกพรรคผู้ถูกร้องเป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 หรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในการกระทําผิดดังกล่าวซีเองอีกทั้งยังเคยแสดงความเห็นให้แก้ไขและยกเลิกพมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผ่านการจัดกิจกรรมทางการเมืองและสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งโดยเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยยะสาคัญ ลดพรสถานะความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกโจมตีติเตียนเป็นการทําร้ายจิตใจของชาวไทยที่มีความเคารพเทื่อทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นประมุขและศูนย์รวมความเป็นชาติ การแนะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่สามทับ 2,567 จึงเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรคสี่เมื่อพักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่มีความสำคัญในระบบประชาธิปไตยการยุบพักการเมืองคือต้องเคร่งครัด ระมัดระวังให้ได้สัดส่วนกับพฤติการความรุนแรงของพักการเมืองการยุบพักการเมืองต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและขึ้นอยู่กับการกระทําของพักการเมืองนั้นๆ <c oughs> ผู้ถูกร้องมีการกระทําอันฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองพออรศ .2566 มาตรา92วรรคหนึ่งอนุหนึ่งและอนุสองกฎหมายดังกล่าว ต้องใช้กับพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามแต่ทุกพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันอย่างสมาเ ส, สมอภาคเท่าเทีเทยมกันอันปพฤติกาอันเป็นพฤติการและข้อกฎหมายที่ได้สัดส่วนและจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อหยุดยั้งการทําลายพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็น อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสารรัฐมนูลจึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม่นักวิชาการสาขาต่างๆนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศต่างก็มีรัฐมนูลและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ การแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาททางการทูดและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่ตอกันกรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรคหนึ่งอนุหนึ่งและอนุสองอันเป็นเหตุให้ยุบ พ, พักผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรค2ประเด็นที่2ขั้นการบริหารพักผู่ถูกรองจะผูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคำหยาดประกอบรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรค2หรือไม่เพียงใดผู้ถูกรองได้ยื่นโต้แย้งว่าคำหยาดประกอรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองพศ2560 มาตราก้อนสองวักสองไม่ได้บัญญัติระยะเวลาในการเพิกถอนสิท ธ, ธ, ธิสมัครรับเลือกตั้งของข้ามการบริหารพักไว้อย่างชัดแจ้งจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักขอสมควรแก่เหตุโดยกำหนดระยะเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งห้าปีนับแต่วันที่สารนับนูลสังยุบพักผู้ถูกร้องและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องชุดที่หนึ่งและชุดที่สองเท่านั้น เห็นว่าพร้มหยัดประกอบรับนูลว่าด้วยพักการเมืองพศ 2,560 มาตรา92วรรค2บัญญัติในลนะักษณะเป็นบทบังคับว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนิ น, นการไต่สวนแล้วมีพยานหลักฐานท่านควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่งให้ศาลนับนูลสัง่งยุบพักการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักการเมือง น, นั้นเมื่อผู้ถูกร้อง กระทำการเป็นเหตุให้สั่งยุบพักผู้ถูกกลองศาลรัฐนูนต้องสั่งยุบพักผู้ถูกกลองตามระเบียบประกอบรัฐนูนมาตรากันสองวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งอนุหนึ่งอนุสองแล้ววรรคสองและเมื่อศาลรัฐนูนมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกกลองแล้วชอบที่ศาลรัฐนูนจะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกกลองที่ดารงตาแหน่งดังกล่าว อยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุพพักผู้ถูกร้องตามพระราชปรบรับนูลว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรค2มีประเด็นพินาต่อไปว่าเมื่อวิจัยให้เพิกถ อ, อนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกครองแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าใดเห็นว่าการกําหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้อาสาเข้ามาทําประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจึงก้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรระหว่าง พฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทำให้ได้สัสดส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลแม่งการกระทำของผู้ถูกรองตามคำมิชัยที่สามพัสองพันกรหสิบเจ็ดจะเป็นการกระทำต่อสถาบันหลักของชาติซึ่งเป็นสถาบันสร้างและกอบกู้ชาติไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยชาวไทยก็ตามแต่เมื่อ การเสนอร่างั้อหยัดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่วสแก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมินประมาทเมื่อวันที่25มีนาคม2564ของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสังกัดพรรคผู้ถูกครองต่อสภาผู้แทนรัศดรแต่ไม่ได้รับการบรรจุเข้าวาระการใช้เป็นนโยบายของพรรคผู้ถูกรรองหรือการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว ยังต้องผ่านกระบวนการนิติบัญัติและรัฐสภาจึงนี่ก่อได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการปกครองของประเทศชาตินอกจากนี้เมื่อสารรัฐนูนมีคำวิจัยสารนูนที่สามพศ2567เมื่อวันที่31มกราคม2567สั่งการให้ผู้ถูก ร, อร้องเลิกการกระทำในวันดังกล่าวผู้ถูกร้องได้นำาื่บาย การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพักผู้ถูกร้องและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องได้ทำการที่สามนูนสังค้ามอีกเลยดังนั้นให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม 2,567 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุพักผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนูลมีคำสั่งยุพักผู้ถูกร้องสอดครองกับระยะเวลาตามพรดประกอบรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองพศ2 5 6 0มาตรา94วรรคสองเรืนที่สาม ผู้ซึ่งเคยดํารงตาแหน่งกรรมการประธารพักผู้ถูกรองที่อยู่ยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการประธารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกําหนด10ปีนับแต่วันที่พักผู้ถูกรองถูกยุบตามเบืยอประกอบรัฐนูลเพระด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา94วรรค2หรือไม่ เห็นว่าคัหยาดประกรอบรับนูลว่าด้วยพักการเมืองขอสอ 2,560 มาตรา94วร2บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตาแหน่งกรรมการบริหารของพักการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิทสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวได้จดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกทั้งนี้ ภายในกําหนด10ปีนับแต่วันที่พักการ น, นึ่งนั้นถูกยุบบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมีได้ให้อํานาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพักผู้ถูกร้องและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกรองแล้ว ต้องให้ผู้ซึ่งดำรงเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุพักผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทั่ทวไปกดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจับตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนูนมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกครองตามคัหยัดประกอบรัฐนูนว่าด้วยพรรคการเมืองพอสอรส 2,560 มาตรา94วรรค2อาศัยเหตุผลสังกล่าวข้างต้นสารรัฐนูน มติเป็นเอกสันสั่งให้ยุบพักกล้าวไก่ผู้ถูกร้องตามข้นัญญัติประกอบรัฐนูนลว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วร1อ น, นุ1และอ น, นุ2และวร2เพ่อถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่25มีนาคม2564 ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทาอันเป็นเหตุให้ยุบพักผู้ถูกรรองตามมาตรา92วรรค2มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรักนูลมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกรรองและห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกำการบริหารพักผู้ถูกรรองช่วงเวลาดังกล่าวไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกำการบริหารพักการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่สารรับ น, นูมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกครองตามารถกาด94วัก 2. 2ทุกท่านชี่นขึ้นครับบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยทับฟังคำวินิจัยของสารรับนูลวันนี้ผู้แทนผู้ถูกครองผู้แทน ผู้ร้องมาศาลสา ร, สารนูนได้อ่านค่าวินิจฉัยที่20พฤศจิก า, ายน161ลงวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2 0 1ให้คู่กรณีฟังแล้วและให้ถือว่าค่าวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พ, พ, พิธีพิจารณาความของสารน้ำนูนพศ2561มาตรา76ให้คู่กรณีพัดถ่ายสำเนาค่าววินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่วันอ่านค่าวินิจฉัย